พวกเราที่อยู่นี่นะก็รู้แล้วแต่ปรารถนาความสงบคือถ้าไม่ปรารถนาความสงบว่าคงไม่เลือกมาที่นี่นะเพราะว่าข้างนอนก็มีอะไรต่ออะไรที่จะ สนุกสนานแล้วความสนุกสนานของผู้คนมันก็มักจาะมาโค้งคู่กับความไม่สงบความกระทึกในที่พูดถึงความสงบที่เราปรารถนาเนี่ยมันก็มีอยู่สองอย่างอย่างแรกหมายถึงการที่มันไม่มีเสียงดังไม่มีเสียงรบ ก, กวน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 แม้ในที่ที่มีเสียงดังแต่ว่าจิตใจก็สงบได้อันนี้ทำได้อยู่อย่างที่เคยเล่าถึงพวกที่เข้าไปสังเวชในสถานไปพุทธคยาพุทธคานี่เสียงดังเสียงกระทึกแต่มันไม่ใช่เสียงอกระทึกที่ตามตลาดแต่มันเป็นเสียงจากการสดมน ไม่จะมีคนนั่งสมาธิแล้วก็ดูจากภายนอกก็เขาก็น่าจะสงบพอสมควรสงบใจเสียงดังก็ทึกแต่ว่าใจสงบนี้ก็ได้นี้ทางตรงข้ามไม่มีเสียงดัง แต่ว่าใจไม่สงบนะอย่างคนหลายคนถึงแม้จะอยู่ในห้องแอร์อยู่ในห้องพระไม่มีเสียงรบกวนแต่ว่านั่งสมาธิก็รู้สึกว่าใจมันว้าวุ่นนะไม่มีเสียงข้างนอกรบกวนนะแต่ว่าใจไม่สงบ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 ความไม่สงบใจนี่มันไม่ไต้องเกี่ยวกับเสียงก็ได้นะถึงแม้ว่าหลายคนจะเกิดความหงุดหงิดเวลามีเสียงดังโดยเพราะพวกเราที่มาดิกนเล่นอยู่ถึงนี้นะพอมีเสียงดังก็ใจก็ไม่สงบนะแต่ก็อย่าไปคิดว่าไม่สงบใจเพียงเพราะไม่มีเสียงดังเท่านั้น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 หรือว่าการกระทําของคนรอบข้างถึงแม้ว่าการกระทําของเขามไม่ส่งเสียงอะไรเลยแต่ถ้ามันไม่ถูกใจเราเราก็เกิดความโกรธหงุดหงิดนะอันนั้นเรื่อไม่สงบไม่สงบใจ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 ในการที่เราจะปรารถนาความสงบนะโดยเพราะความสงบในจิตใจนีนะ่มันเป็นเรื่องที่เราต้องฝึกฝนถ้ า, าว่าต้องการความสงบในใจนะ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 ก็ยังคิดทําพูดไม่ถูกใจตัวเองก็มีเช่เนบางทีก็ตื่นสายบางทีก็ไม่สบายบางทีก็พูดอะไรออกไปโดยที่ไม่ที่ต้องเสียใจยหรือไม่พอใจ หรือทำไปแล้วก็ไม่ถูกใจว่ามันมันน่าจะทำได้ดีกว่านี้อ น, นี้เป็นต้นนั้นการที่จะจะเรียกร้องหรือว่าคาดหวังให้ผู้คนสิ่งของหรือว่า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 เอาแต่เรียกร้องคนอื่นว่าเธอต้องพูดดีกับฉันนะเธอต้องทำให้ถูกใจฉันนะเธอต้องรู้ใจฉันนะหรือว่าทำตามที่ฉันบอกนะให้แบบนี้เรียกว่า ค้ากำลังเกินควรหรือว่าเอาแต่ได้ก็ได้เพราะว่าไม่ลงทุนเลยไม่ลงทุนไม่ลงแรงคนส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นนะอยาได้ความสงบใจนะแต่ว่าไปเรียกร้องจากคนอื่นให้ทำอย่างงาน้นทาอย่างนี้หรือไม่ทอ า, งงาทอย่างง้นไม่ทาอย่างนี้แต่ว่าตัวนี้ไม่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 อดทนอย่างตามๆก็ต้องมีขันติหรือว่ามีมากกว่านั้นคือเออมีเมตตาเมตตาเมตตามันทำให้เกิดความเห็นใจเาขาเ้าพูดเสียงดังหรือว่าเขาวางของไม่เป็นที่ก็ก็เห็นใจเขาเขาอาจจะงานเยอะ หรือว่าเขาอาจาจะไม่ได้มีนิสัยมาทางนั้นไม่ได้ถูกรับการอบรมมาเขาอยู่สบายมาตลอดเขาก็เลยประพฤตอตัวอย่างนั้นเออพอเรามีเมตตาเราก็หายโกรธพอหายโกรธใจเราก็สงบหรือว่าถ้าไม่ชอบนะไม่ชอบั้งขันติไม่ชอบเมตตาก็สติก็ได้นะสติ ก็คือว่าพอใจมันก็เพื่อมใจมันก็เพื่มก็รู้ทันให้รู้จักสร้างสติมารักษาใจไม่ให้ความหนิดิดความขุนเคืองมันมาเล่นงานใจบ้างมันทำได้นะลงทุนหน่อยนะสร้างสติขึ้นมารักษาใจซื่มันก็ต้องฝึกนะ มันก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ฝึกแล้วนี่ก็มาเอามาใช้เอามาใช้กับความความเป็นจริงคนพูดเสียงดังหรือว่าทำอะไรไม่ถูกใจพอใจก็เพื่อนก็เอาสติมารู้ทัน อาจจะเริ่มันกแต่เห็นใจมันหงุดหงิดไม่พอใจหรือใจมันบ่นตีโพยตีพายก็รู้ทันเพราะรู้แล้วก็จะวางใจก็สงบหรือว่าถ้ายังวางไม่ได้มันยังบ่นอยู่ก็ให้มันบ่นตีแต่ในใจอย่าบ่นออกมาทางวาจาอันนี้ก็ฝึกนะฝึกแบบนี้เราฝึกขันติ ใจมันใจมันบน่นแต่ว่ า, าปิดปากแน่นไม่พูดอันนี้ก็เป็นการฝึกขันเตซึ่งถึงแม้มันจะเป็นการฝึกจากฝึกที่ภายนอกนะฝึกที่าวาจาแต่ว่าฝึกไปฝึกไปมันก็ทำให้มันก็ลงสู่ข้างในทำให้ใจนี่หนักแน่นมั่นคงได้อันนี้เรียกว่าลงทุนลงแรงนะ พยายามที่จะพยายามที่จะฝึกแบบนี้นะอย่าไปประเภทว่าเห็นแก่ได้หรือค้ากำาไงเกินควรต้องให้ต้องคอยเรียกร้องให้ใครต่อใครพูดถูกใจเราทำถูกใจเรานะ หรือว่าทำตัวเรียบร้อยมันเป็นการไปพึ่งพาคนอื่นมากไปหรือนะยืมจมูกคนอื่นหายใจนะหรือว่าเป็นการเอาเปรียบนะเพราะว่าตัวเองเอาแต่เรียกร้องคนอื่นให้เขาทำกันอย่างนี้แต่ตัวเองไม่ทำอะไรเลยนะมันต้องลงทุนลงแรงบ้างถ้าปรารถนาความสงบ ก, ก็ต้องฝึกใจ ฝึกทั้งในเวลาที่อยู่คนเดียวไม่เกี่ยวข้งของกับใครอันนี้เราฝึกในรูปแบบก็ได้แล้วก็ฝึกเวลาออกไปเจอผู้คนไปเจอผัสสะนะที่จริงตอนไปเจอผัสสะนี่แหละเป็นการฝึกอย่างดีเลย แลวที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเราฝึกไปฝึกไปนะดูใจเราไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะพบว่าในความว้าวุ่นในความวาวุ่นในใจหรือความไม่สงบในจิตใจหรือผู้ลมรวว่าความทุกข์ใจเนี่ยปัจจัยเราอยู่ที่ใจเราเองมันไม่ได้ที่สิ่งภายนอกเลยไม่ได้ที่คนรอบตัวไม่ได้อยู่ที่ดินฟ้าอากาศ มันที่ใจเราที่วางไว้ไม่เป็นใจที่เราใจที่มีรูโว่นะเปิดช่องให้ความทุกข์มันเข้ามาครอบงำใจได้มัน ม, มันมีรูโว่เต็มไปหมดเลยเหมือนกับกำแพงที่นะประตูเปิดอาา้าซ่ากระถานยังมีรูตาม ตามกำแพงอีกนะมีรูตามกำแพงเยอะแยะหมดแล้วก็ไม่ยอมปิดไม่ยอมไม่ยอมซ่อมไม่ยอม อ, อุดเอาไว้เพราะฉะนั้นศัตรตูเขาจะเข้ามาได้เข้ามาเล่นงานเข้ามาเล่นงานหรือเผาเมืองนะหน้าที่ของศัตรตูมันก็ต้อง ยาที่จะเข้าไปปนนะเข้าไปยึดเมืองนะหรือว่าเผาเมืองกระนความทุกเนี่ยมันก็หน้าที่มันก็ต้องพยายามเข้ามาเข้ามาติดใจส่วนหน้าที่ขงเราคือว่าปกป้องเอาไว้ไม่ให้มันเข้ามาถ้าเป็นผู้ครอบครก็ต้องพยายามรักษา กำแพงให้เข้มแข็งมั่นคงแล้วก็ต้องมียามเฝ้าประตูด้วยมีผู้รักษาประตูเมืองผูนะ้รักษาประตูเมืองนี่คือสติ น, น, นันะ่นแหละก็ต้องมันฝึกนะให้เขาเข้มแข็ง ใครจะฝึกนะก็ต้องเป็นต้องเป็นเรานั่นแหละนะที่ต้องขวนขวายเอาใจใส่ยอมเสียเวลาในการฝึกให้เขาทำงานเข้มแข็งถ้าผู้ปกครองนครหรือเจ้าเมืองเนี่ยไม่เอาใจใสนะ่อยากจะให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อยไม่มีไม่มีการปนสะดมแต่ว่าขอเอาแต่ขอร้องโจรว่า เดีอเอาแต่ขอร้องศัตรูว่าอย่าเข้ามาบุกเมืองฉันนะนะอย่ามาทำอะไรเมืองฉันนะนะให้อยู่เฉยๆนะให้ทำตัวเรียบร้อยนะแบบนี้มันก็เป็นไปไม่ได้นะแล้วก็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 ก็ต้องฝึกต้องเข้มแข็งเราต้องตาดเตรียมนะแล้ถ้าเกิดว่าเมืองมันถูกทำลายถูกทะลุทะลวงเข้าไปเข้าไปป้นสะดมเข้าไปเผานี่ก็อย่าไปโทษคนอื่นนะต้องโทษตัวเราว่าทำไมละรวมนะไม่กวดขันในเรื่องการรักษา เมืองเอาไว้นั่นก็มาย่อาเวลาเราทุกข์ใจนะก็ต้องมองมาที่ตัวเองก่อนว่าทำไมเราละหลัวไม่รักษาใจให้ดีอย่าไปโทษคนโน้นอย่าไปโทษคนนี้ว่าทำไมเ้าไม่ทำอย่างนี้ทาไมเขาไม่ทำอย่างโน้นให้เราเนี่ยต้องกลับมากวดขันนะที่ใจของเรา นะถ้าปราศนาความสงบก็ต้องต้องลงทุลงแรงนะฝึกเพียรพยายามนะการปฏิบัติเนี่ยหรือการฝึ ก, กจิตใจมันก็มีอยูนะ่มันก็มีอยู่สองสองระดับหรือว่าสองส่วนโนะดอเพราะการเจริญสติเนี่ยนะมันก็มีฝึกอย่างแรกก็คือฝึกในรูปแบบนะ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 ชีวประจําวันมันก็ใช้กายนะเคลื่อนไหวซักผ้าทําครัวหั่นผักเย็บผ้าอันนี้มันมีเมื่อมีกายเคลื่อนไหวก็ให้รู้กายนะการรู้กายคือความการรู้สึกว่า ม, มีกายเคลื่อนไหว กายเคลื่อนไหวใจก็รู้สึกหรือใจก็รับรู้น ะ, นะอีกส่วนหนึ่งนะก็คือการปฏิบัติเวลาเกิดผัสษ ะ, ะเวลาเกิดภัสาะคือตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสหรือว่ากายมันเกิดสัมผัสขึ้นมา ภาษาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเกิดผลที่ใจก็คือทำให้เกิดความยินดีร้ายพอใจไม่พอใจนะเกิดความคุณเคืองใจหงุดหงิดเนี่ยมันก็เพราะภาษานี่แหละนะซึ่งบางครั้งอาจจะเกิดจากการเคลื่อนไหวทางกายนะเช่นเท้าไปเดิน จงกรมแล้วเท้าไปเหยียบหินนี่เกิดปัสสะหรือว่าเดินธรรมยาตาระหว่างที่มีสติรู้กายมันก็เจอแดดนะร้อนหรือว่าไปเหยียบกรวจเจ็บนะแต่บางทีมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นระหว่างที่มีการ เคลื่อนไหวทางกายเช่นนั่งอยู่นิ่งๆเนี่ยก็มีเสียงดังมากกระทบหูหรือว่าเห็นผู้คนทำในสิ่งที่ไม่ถูกใจเนี่ยมันเกิดภาษาตายรู้ขรุขินเสียงละใจกระเพื่อมใจขุ่นมัวเกิดความหงุดหงิดเนี่ยตรงนี้ต้องมีสตริรู้ใจนะ ต้องมีสติรู้ทันใจรู้ทันอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นโดยเพราะตัวโทสะนะแต่ว่ามันก็มีตัวอื่นที่ควรจะรู้โดยเช่นโลภความอยากให้ความอยากนะายา ก, ก็ทำให้ทุกข์ใจเหมือนกันนะความอยากก็ทำให้ใจไม่สงบได้เหมือนกัน พออยากได้ใจมันก็รุ่มร้อนรุ่มร้อนอยากเข้าไปยึดครองส่วนโทสศนี่มันก็รุ่มร้อนอีกแบบมันรุ่มร้อนในสถานที่อยากจะทําลายอยากจะผักใส่มันก็ร้อนทั้งสองอย่างแต่นําไปสู่พฤติกรรมคนละแบบตรงข้ามกันเลยอย่างหนึ่งทาไม่อยากเข้าใกล้ครอบครองถ้าจะกลืนกินไปเลยก็ได้อีกอย่างถ้าไม่อยากผักใสอยากจะทําลายอยากจะหนีห่าง แต่มันก็ทำให้ทุกข์เหมือนกันทำให้ใจไม่สงบตรงนนะี้การปฏิบัติในขั้นที่เกิดเมื่อเกิดภาษาที่สำคัญมากส่วนใหญ่นักปฏิบัติก็ไปคิดแต่ไปใจใจจดจ่อยกับการปฏิบัติขั้นแรกประเภทแรกคือว่าเมื่อกายเคลื่อนไหวปฏิบัติเมื่อมี กระทำทางกายหรือมีอริยาบทแล้วก็บางคนก็แคบตีแคบตีวงแคบไปเฉพาะเวลาทำในรูปแบบเช่นยกมือสร้างจังหวะเดินจงกรมตามลมหายใจแต่ว่าพอไปบินทบาดพอไปทำครัวหรือว่ากินข้าวอาบน้ำหูฟันทั้งที่มันมีการอริยาบทมีการเคลื่อนไหวทางกายแต่ว่า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 หรือออกจากการปฏิบัติในรูปแบบเ่นออกจากการเดินจงกรมในกุฏิเข้าไปในครัวออกไปในครัวไปที่ศาลา อ, อุเจอผู้คนในตอนอยู่กุฏินี่มันสงบมีแต่เราคนเดียวหรือว่าอยู่ในห้องพระก็มีแต่เราคนเดียวตามลมหายใจสร้างจังหวะเดินจงกรมมันก็สงบได้บางทีก็รู้กายได้ดีนะ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 ไม่ดูใจงตัวเลยเวลาทุกครั้งที่เราโทษใครเนี่ยสำหรับนักปฏิบัติแล้วถือว่าตอนนั้นอาจจะสอบตกแล้วนะโดยเพราะเวลาโทษคนโน้นคนนี้ว่าทำให้เราทุกข์หรือว่าบน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 เรามันดูใจมันก็จะพบว่าเออมันเป็นที่ใจเรามันไม่ใช่เป็นพ่อคนอื่นเมื่อแต่ก็ตามที่เราบน่นคนนู้นคนนี้เนี่ยมันแสดงว่าเรากำลังโทษว่าเขาทําให้เราทุกข์แต่ไม่มีใครทําให้เราทุกข์ได้นอกจากตัวเราเองไม่มีใครขโมยความสุขความสงบไปจากใจเราได้ถากว่าใจเราไม่ร่วมมือและไม่เปิดช่องให้ เมื่อใดก็ตานที่เราบนโวยวายแสดงว่าเราลืมปฏิบัตินะเมื่อเกิดผัสสะขึ้นมาไม่ต้องให้ความสงคัญมากนะต้องระมัดระวังเวลาเกิดผัสสะขึ้นมาให้ให้ถือว่าเออนี่คือเวลาการฝึกใจนี่เป็นเวลาที่ต้องตั้งสติให้ดี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 ไอ้ก็เพิ่มขึ้นก็ต้องก็ต้องระวังนะไม่ใช่ว่าไปไประมัดระวังแต่ไอ้ความยินร้ายความไม่พอใจความมินที่เกิดขึ้นความยินดีความดีใจก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะมันก็มีโทษนะเพราะดีใจมากๆก็ทำให้ลืมตัวได้เน้นอย่าลืมการปฏิบัติล้วมันมีสองแบบมีสองขั้นต่ออยู่เสมอ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 มันก็จะใจมันก็จะทุกข์ได้ง่ายความทุกข์มันก็จะจูดโจมเข้ามาเล่นงานจิตใจเพราะว่าใจมันเปิดช่องไม่มีไม่มียามนะคอยมารักษาใจการปฏิบัติจลิตสตมันก็ง่ายๆสองยา่างคือไม่ลืมกายไม่ลืมใจทำอะไรก็ไม่ลืมกายเกิดภาษาอะไรขึ้นมาก็ไม่ลืมใจ ให้เวลาเจออะไรที่ขัดใจเนี่ยให้ถือว่าเออนี่เขากำลังฝึกเรานะเขากลังฝึกเราให้มีสติเรามองแบบนี้ดูอันนี้เรียกว่าเป็นการมองแง่บวกนะหรือว่ารู้จักหาประโยชน์จากผัสสะต่างๆที่เกิดขึ้นหรือผัสสะที่ไม่น่าพอใจมันจะช่วยเตือนให้เราเนี่ยนะไม่ ไม่มีปฏิกิริยาในทางลบเพราะถ้าไม่เติดแบบนี้เนี่ยมันจิตมันก็จะเกิดโทสะได้ง่ายเกิดความไม่พอใจได้ง่ายแต่ถ้าเราหมองเออนี่เขากำลังมาฝึกเรานะหรือว่านี่เป็นโอกาสที่เรากำลังได้ฝึกนะสิ่งที่ขาดอกัดใจเราเนี่ยนะ มันสามารถจะใช้เป็นเครื่องขัดใจเราให้สะอาดได้หรือขัดใจเราให้มีอตราอัตราเบาบางลงได้แต่ถ้าเราไม่มีสตินะมันก็ทําให้ใจเราติดขัดติดขัดก็เรื่องเก่าๆผ่านไปแล้วเป็นวันผ่านไแล้วเป็นปีก็ยังขัดยังตีตรงนั้นแหละเพราะว่าคนนั้นคนนี้ ไม่ถูกใจเราหรือว่าเขาทำให้เราไม่พอใจเขาว่าเราเขาตำหนิเราติดมันก็ติดขัดติดขัดอยู่กับอดีตแต่คนฉลาดนี่ก็จะเอาเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยพฤติกรรมที่ขัดขัดใจนี่มาเป็นเครื่องขัดใจให้กิเลสเบาบางอัตตาน้อยลง สิ่งที่ได้คือกำไรไม่ขาดทุนแต่ถ้าหากว่ายังยังไม่สามารถจะหลุดไปจากสิ่งนั้นได้อย่างน้อยล้วก็ฝึกขันติก็ได้ฝึกด้วยการไม่บน่นไม่บน่นไม่โยวยวายถึงแม้ใจมันจะยังมีความขุดมัวนะแต่ว่าเราฝึก ไม่บน่นหรือถ้าทําให้ดีก่อนนั่นก็คือฝึกใจให้ไม่บ่นด้วยฝึกใจไม่บ่นนี่ก็ทำได้ด้วยการที่เรามีสตินะรู้ทันใจที่หงุดหิดนะแล้วก็วางมันลงแล้วฝึกใจให้ยอมรับสิ่ ง, งต่างๆที่เกิดขึ้นถือว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเราจะยอมรับมัน โดยไม่บน่นอย่างอาจารย์ประมวลนี่ตอนที่ไปอินเดียนะหลังจากที่ไม่ได้ไปอินเดียมาสิกกบกว่าปียี่สิบกว่าปีได้จบปริญญาเอกแล้วก็ไม่ได้กลับใหม่เลยมีความรู้สึกที่ไม่ดีกับอินเดียช่วงที่บวชแล้วก็เรียนปริญญาเอกนี่ก็ทุกข์ใจเหลือประมาณแต่ตอนหลังกลับไปครั้งใหม่นี่ ก็อธิษฐานเนยว่าจะยอมรับทุกอย่างที่เป็นของอินเดียจะถือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานมาให้ เ, เทวดาประทานมาให้จะไม่บน่นจะยอมรับทุกอย่างที่เป็นของอินเดียเขาเรียกเงินแพง ก, ก็ก็ให้ตามนั้นไม่มีการต่อรองมันจะแก้ ง, ย, งยังไงก็คือไม่ดับ บางทีโดนขับไล่ออกจากโดนไล่ออกจากตู้โดยสารนะเพราะว่าไปไปเอื้อเฟื้อคนจันทรทานไปเอื้อเฟื้อคนจันทรทานที่มานั่งในรถไฟคนเดียวคนหนึ่งก็รังเกียจขึ้นมาไล่เลยนะเนี่ยก็ไปไล่เราก็ไปไม่บน่นไม่เว่อว่าทำไมฉันมีตัวรถไฟทีวจะมาไล่ฉันได้ยังไง อันก็ยอมนะเอาไล่ฉันก็้ไปก็ไปนั่งอยู่ไปนั่งอยู่ในมุมหน้าห้องน้ำก็ไม่ได้ทุกข์อะไรนะนะก็บอกว่าสามารถจะอยู่ในเดียร์เงมีความสุขเนะพราะใจยอมรับทุกอย่างนันนี้ก็เป็นเทคนิคที่เรามาใช้ได้นะจริงๆเมื่อควรจะเป็นหลักอยู่แล้วในการปฏิบัติ ก็คือว่ายอมรับทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นดินฟ้าอากาศไม่ว่าจะแดดร้อนฝนตกไหเป็นผู้คนยอมรับให้คิดแบบให้หนึกแบบอย่างที่หลวงพ่อชาวกวเนี่ยทุกอย่างนี่มันถูกหมดแล้วแต่ใจเราต่างหากที่วางไว้ผิดนํามาถึงทุกข์นะเพราะใจเราไม่ยอมรับพอใจเราววา้เพียงไงเป็นยังไงคือปฏิเสธผักษายไม่ยอมรับมันเอง กาปฏิบัติเนยช่วงพรรษานี่ลองฝึกดูว่าเออเราจะยอมรับทุกอย่างโดยไม่บน่นโวยวายหรือว่าท้องข้างในมันบน่นโวยวายแต่ว่าก็จะไม่บ่นออกมาข้างนอกเป็นการฝึกจิตเป็นการอธิษฐานก็ได้เราจะอยู่ในวัดโดยที่ไม่บน่นโวยวายตีโพตีภายใจจะยอมรับทุกอย่าง หือถ้าใจยังยอมรับไม่ได้มันยังบ่นอยู่ข้างในคุณเครืองข้างในก็ไม่บ่นออกมาข้างนอกแต่นี่มันคนละเรื่องกับการการการแนะนําการตักเตือนนะนั่นอีกเรื่องหนึ่งคือถ้าจะทำก็ทําไม่ใช่เพราะเพราะความทุกข์ไม่ใช่เพราะความคุณเคืองนะแต่ทําเพราะว่าเพื่อประโยชน์กับส่วนรวมอันนี้แนะนําได้ตักเตือนได้ทักท้วงได้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 น, นี่มันเป็นสิ่งที่จะช่วยในการปฏิบัติพวกเราได้มากทีเดียวแล้วก็พูด่อควานเครับนไอง ท, าง ท, างทาง่าน